ตละเวลาเนี่ยดึงดการเคลื่อนไหวแต่บางคนปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกก็ยังยังจับหลักไม่ค่อยได้ยังไม่ชัดเจนอีกใจก็วอกแวกวันไหวไปครับเหตุการณ์การชักนำกันชักจูงอะไรต่างๆก็เพราะว่าความมั่นใจในธรรมในตัวนี้ยังไม่มีมากพอและไม่มีอะไรที่มันดึงดูดชักจูงที่รุนแรงกว่าแล้วก็ โควไยเขวไปกับอาการนั้นนั้นแต่สาหรับคนที่สัมผัสกับสภาวะธรรมคือการปรากฏตัวของรูปนามที่เป็นปัจจุบันอย่างชัดเจนมันก็ไม่ต้องขวนขวายอะไรมาก จะดิบขนาดไหนมันก็ถ้าถ้ากระท่ามันร้อนพอมันแตกกนได้เข้าตอกเัข้าเปลือกจะไปขั่วเป็นข้าตอกผมเคยเห็นหรือเข้าวโพดเชื้อมขั่วเป็นเนื้อมันร้อนมันแตกจิตของเราเัินถ้าความเพียรมันร้อนต่อเนื่องพอเนี่ยไอตัวรู้ที่มันห่อหุ้มด้วย วิชาเหมือนเปลือกข้าวตัวรู้ของเราเหมือนเม็ดข้าวตัววิชาคือตัวปุ่มแต่งเหมือนกับเปลือกข้าวมันถูกความร้อนร้อนของการกําหนดรู้เผานานๆมันก็ต้องมันก็ต้องแตกออกมามันต้องรั่ออกมาจนได้เหมือนเหมือนเหมือนข้าวขวในกระทะถ้ากระทะมันร้อนพอเนี่ยอยู่ไม่ได้เป็นเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่ประการสําคัญเนี่ยไอ้การ เพ่งเผาระหว่างสติกับหิตสติกับรูปนามเนี่ยมันไม่ยาวนานเพียงพอไม่เล่าร้อนเพียงพอแม้จะเรามีเวลาเก็บอารมณ์ก็ตามบางทีเก็บอารมณ์แต่ว่าความสัมผัสระหว่างสติกับรูปนามเนี่ยมันไม่ยาวนานเพียงพอบางทีมันไม่ใช่ว่าเอาข้าวมาคั่วในกระทะบางทีเอามะพร้ามาโคั่ในกระทะ มันก็ไม่แตกสักทีนี่ราิฉะนั้นเองก็ต้องอาศัยความ mm hmm. เล่าร้อนความอาตาปีอาตาปีแปลว่า <c oughs> ความเพียรที่ทำกิเลสให้เล่าร้อนะมาณถึงตัวนี้ดังนั้นก็ไม่อยากจะให้เราเสียเวลามากเกินไปเพราะในการปฏิบัติในวิธีการอนนี้ถ้า ถ้ามันกำหนดรู้อย่างจริงจังต่อเนื่องแล้วเนี่ยมันก็ชัดเจนได้ไวแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงจะเป็นรู้อะไรแปลกประหลาดที่สดานทันทีทันใดเนี่ยก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมเหมือนกันแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายถึงว่า <c oughs> แต่ละคนเนี่ยมันมันหนามันวางไม่เท่ากันบางคนหนาหน่อยตั้งใจปฏิบัติก็ถูก ทำก็จริงแต่ให้ทํามันมันไม่รู้สักทีก็พ อ, อมันหนาเพรต้องทํานานคนบางๆแต่ว่ายังไม่ตั้งใจจริงมันก็อาจจะช้าแต่เมื่อไรถ้าตั้งใจจริงมันก็ จ, จะไวขึ้นแต่การรู้ทำในที้ไม่ได้หมายถึง ไ, ไปรู้อะไรพิสดาเรเพียงแต่ไปสัมผัสสภาวะที่เป็นปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกที่เป็นรูปเป็นนามปัจจุบันนี่ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าสัมผัสถูกนะ แต่ทํามันไม่ถูกมันก็ไปปรุงแต่งเอาเป็นรูปเป็นนามในการปรุงแต่งเอามันก็ทําให้ไม่ไม่ลึกซึ้งนะเป็นเปลือกถ้เาเราไปสำคัญบันหมายเอาตัวเวทนาต่างๆเป็นเราแต่ความจริงเราให้ดูมันเฉยแต่ ค, ค, ความคิดของปรุงแต่งเราห้ามมันดับไม่ได้แต่ก็พยายาม พยายามเข้าใจมันให้ถูกสิ่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิวรณ์ต่างๆที่เป็นการมราคะปฏิฆะเทยาปาทะอุท จ, จัตฉีนิมิทะที่มันเกิดขึ้นในความความคิดในเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ห้ามมันหรอกแต่เราก็ให้รู้จักมันเข้าใจมั น, น ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสภาวะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราก็อย่าไปรู้สึกดีหรือู้สึกร้กายกับมันจะส่วนใหญ่เราทำใจไม่ได้เมื่อวุ่งแต่งดีมาแล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยจิตของเราก็ยังไปเล่นอยู่กันการปุงแต่งแต่เล่นแบบไม่ถูกนะเล่นแบบครุกคีกับมันนะแต่เล่นีนมันถูกก็คือไม่ต้องไปครุกเหมือนกันนะบนักฟุตบอลนะแม้เขาเข้ามาก็เตะมันออกไปเลยไปเตะเข้ากูไม่ได้ไป ยึดไปเป็นปรุงแต่งร้ายขึ้นมาก็ไปยึดไปเป็นกับมันมันก็เลยจิตใจของเราก็ไปเล่นอยู่อยู่ตรงนั้นไปเล่นอยู่ในการปรุงแต่งไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาสัมผัสกั บ, กบรูปนามปัจจุบันได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อสภาวะปรุงแต่งเกิดขึ้นหน้าที่ของเราก็คือสลัดทิ้งให้ไวอย่าไปให้จิตใจของเราไปเกลือด ก, กลั้วคลอเคลียอยู่ตรงนั้นนานเกินไปเนินช้าเสียเวลา หลักบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันมันไม่อยากปรุงแต่งมันจะมาอยู่กับตัวลูกนามปัจจุบันล <c oughs> ้วนไอตัวเนี้ยนานมากอะมันจะมาอยู่ตรงนี้ข้อส่วนใหญ่จิตของเราก็จะไปวิ่งเล่นอยู่ตรงนี้น <c oughs> วิ่งเล่นอยู่กับความปรุงแต่งแล้วห้ามไม่ได้ในในสภาวะอย่าง เป็นต่างๆนานาสภาวะทั้งหลายเนี่ยที่มันเป็นสังขาระธรรมก็จะปรากฏออกมาในรูปของการปรุงแต่งปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งจิตนี่เป็นเรียกว่าโลกสภาวะของโลกเป็นอย่างนั้นและโลกนี้ไม่มีการปรุงแต่งมันก็เป็นโลกไม่ได้ถ้ามันเป็นโลกเป็นจิตเป็นทุกได้ก็เพราะมันมีการปรุงแต่งนี่แหละ แต่หน้าที่ของเราก็ไม่ใช่ว่าห้ามการปรุงแต่งหน้าที่ของเราคือทำความเข้าใจการปรุงแต่งให้ถูกต้องอเองเมื่อเราเข้าใจมันถูกต้องแล้วมันก็โอกาสที่มันจะปล่อยจะวางจะสลัดจะทิ้งที่เราใช้คำว่านิโรธในความหมายของคำว่านิโรธนี่อยู่สีสี่คำฉันใช้คว่าจาโคสลัด ฉลากออกไปจาโค หายอยู่ี่ประการดังกล่าวนี้ความคิดปูนแต่งไม่ว่าจะมาทางไหนก็ตามสลัดทิ้งสลัดคืนปล่อยวางไม่นํามาคิดอีกคิดแล้วแล้วไปไม่ต้องไม่ย้อนอีกว่าเอ๊ะทำไมต้องคิดเรื่องนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมานํามาคิดอีกสลัดทิ้งไปเลยเหมือนเราไปเข้าห้องส้วมเข้าห้องส้วมนั่งส้วมเสร็จแล้วก็เปิดมัน ไม่ต้องไปนั่งวิจัยอุชลาของตัวเองมันมาจากอะไรบ้างถ่ายแล้วทิ้งไมยไวล่างม่ไวไม่ต้องกลับมาอีกแต่สใหญ่เราไว่อย่างนั้นเป็นนั่งวิจัยมาจากธาตุอะไรแร่อะไรมันก็เลยคุกคีกับความคิดเก่าความคิดใหม่ความคิดอดีตอน า, าคต ด, ดึงมาหมดมันก็เลย ก็ไม่มีโลดสักทีการปรุงแต่งก็ไม่เกิดนิ่โลดสักทีนเพราะนั้นนิโรธตัวนั้นหมายความมันมันไม่ได้ดับเองเมันต้องใช้สติปัญญาในใส่สีขั้นตอนลนะสลัดสลัดทิ้งสลัดคืนปล่อยวางแล้วก็ไม่หวนหา สติสมาธิปัญญาที่จะไปเสียเวลากับการปรุงแต่งมาเฝ้าดูสภาวะรูปนามปัจจุบันเท่านั้นส่วนมันจะรู้อะไรไม่รู้อะไรไม่ต้องไปคิดเป็นเรื่องของธรรมชาติเขาจะทําของเขาเองเรามีหน้าที่เจะเฝ้าดูสภาวะธรรมที่ปรากฏในปัจจุบันมันมีอยู่แล้วตลอดเวลาเหมือนที่กล่าวแล้วเหมือนก้นเข็ม ม, มีอยู่แล้วธรรมชาติเขาสร้างมาให้แล้ว เขาพูดถึงว่าเข็มเนี่ยก้นต้องมีรูเสมอถ้ามันก้นไม่มีรูเขาไม่เรียกว่าเข็มเลยเหมือนกันสภาวะธรรมที่ปรากฏรูปกบนาม ม, นมันมีมาแล้วถ้าจะเกิดถ้ามันไม่มีความรู้สึกเนี่ยเขาก็ไม่เรียกว่ารูไม่เรียกว่านามมันมีแล้วถ้าจะเกิดเังนั้นอารมณ์รูปนามจึงเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องสัมผัส เราจะต้องเข้าใจมจันแต่เบื้องต้นทำกลางและที่สุดและที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมาอยู่กับรู่นาเหมือนเดิเมื่อเราไปเข้าใจสภาวะการปรุงแต่งต่างๆเข้าใจมันแล้วก็ไม่คุกขีไม่เล่นกับมันสลั sunshine, ดทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งไปชีวิตมันก็สงบราบคาบได้ไวทีนี้เมื่อจิตมันสงบราบคาบจากการปรุงแต่งแล้วมันเข้าสัมผัสสภาวะธรรมสิ่งที่เราจะ ใช้มันเนี่ยใช้กายใช้วาจาเนี่ยมันจะเป็นสภาวธรรมมันไม่ใช่เป็นเรื่องปรุงแต่งแล้ว <c oughs> สภาวธรรม <c oughs> เช่นว่าเราจะต้องทำงาน <c oughs> เราจะต้องประกอบกิจกรรมอะไรต่างๆในชีวิตประจวันเนี่ยถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการปรุงแต่งไหมไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าธรรมะวิจัยะนะไม่ใช่เป็นธรรมะวิจาร วิจัยกับวิจารณ์ที่ต่างกันวิจารณ์คือหมายถึงธรรมวิจารณ์หม่ยถึงไปปรุงแต่งเอาสภาวะดีๆนั่นเป็นการปรุงแต่งในทางธรรมก็เลยเป็นสังขารชนิดหนึ่งเหมือนกันจนลบลวรสมาธิได้อยู่แต่ธรรมวิจัยในยหมายถึงเฝ้าดูสภาวะที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้ชัดแต่รู้จักหน้าที่ของมันเท่านั้นเอง สมมติว่าเรานั่งนานๆมันง่วงเรากำหนดรู้ความง่วงที่ปรกากฏกำหนดรู้รูปนามที่ง่วงเป็นอาการอย่างไรเวลามันง่วงอาการขอ ง, ปปองรูปเป็นยังไงอาการของนามเป็นอย่างไรการที่เราเอาสติเข้าไปกำหนดรู้เราวิจัยถึงอาการที่ปรากฏจริงปัจจุบันนี้เรียกว่าธรรมวิจัยแต่ถ้าเป็นธรรมวิจาร์หน่อยก็สภาวะธรรมมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราไปปรุงแต่งตามมัน เรียกว่าธรรมวิจารณ์สมมติเราเมื่อกี้เรานั่งเบาสบายเรมันเกิดสภาวะทำอะไรให้เราคิดได้ในขณะนั้นแล้วก็คิดตามมันไปตามมันไปมีเรียกว่าธรรมวิจารณ์แต่ไม่ใช่เป็นธรรมวิจัยธรรมวิจัยคือกำหนดรู้และพิจารณานในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้เช่นมั น, มนอาจจะไม่งงแต่มันเบือ่อ แล้วก็ดูความเบื่อวมันเป็นยางไงอาการของความเบื่อเป็นยังไงหรือบางคนไม่เบื่อแต่นิ่งสงบถ้าเราเข้าไปเสบความสงบนั้นก็เรียกว่าไม่ได้เป็นธรรมวิจัยแล้วก็เป็นเป็นเสพไปติดตรงนั้นอีกแต่ถ้าหาเราเห็ น, นสภาวะสงบนี่มันไม่มีการตรลงแต่งอะ เที่ยงของมันรู้ดีๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีๆแล้วมันก็เป็นภาวะธรรมอันหนึ่งเดี๋ยวมันตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วค่อยดูอาการมันไปเรื่อยๆจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจยะหมายถึงสิ่งที่เรากาลังรับรู้อยู่ปัจจุบัน ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการเสพนะหรือไม่ใช่การยึดอาการเหล่านั้นว่าเป็นของเราอันนี้คือความยากของธรรมอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงที่วเราแยกไม่ออกระหว่างอันไหนเป็ น, น, น, ปนธรรมวิจยะอันไหนเป็นธรรมวิจารอันไหนเป็นธรรมวิตกอันไหนมันมันมันก็ดีหมดอ่ะคิดธรรมะก็ดีเราบอกสมมุติบางคนอ่ คิดสงบเย็นนิ่งสบายแล้วเนี่ยบอกว่าหยิบเอาวิปั ส, สนาภูมิขึ้นมาพิจารณาว่าอันนี้ไม่เที่ยมเป็นทุกข์เป็นอนาตาัตตาตัวพิจารณาทราบว่าทำขนาดนี้ไม่เที่ยมเป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นธรรมวิจารณ์นะไม่ใช่เป็นธรรมวิจยัยเพราะคำว่าไม่เที่ยมเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คิดขึ้นมันยังไม่ได้ปรากฏมันก็เป็นสัญญาขึ้นมาตัวนี้คือขอ้อ ข้อเน้นช้าของนักปฏิบัติบอเออในขณะนี้ถ้สมมติว่ามีอาการปวดเกิดขึ้นแล้วก็ไปคิดตัวอาการปวดนี่ให้เค็มเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขาุูนแต่งขึ้นมาใหม่ละเป็นธรรมวิจารณ์แต่แทนที่จะเฝ้าดูอาการของปวดนั้นเป็นยังไงปวดทั้งลูกมันทนได้ไหมแล้วนามเข้าไปสําคัญการปวดนี้ว่าเป็นของเราไหมเป็นตัวตนของเราไหม มันหมายจิดก็ถูกบีดคิดก็เกิดการหมีพันเป็นทุกข์กับอาการนั้นมี่เขาเรียกว่าไปสําคัญมันหมายอาการนั้นเป็นของเราแต่พอเรากําหนดรู้ปั๊บเราทนได้แล้วก็ดูไปถ้าทนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงปรับปรูอาการเวทนาทางกายก็หายไปเวทนาก็เบาขึ้นมาใหม่พอไปดูอาการใหม่อีกเดี๋ยวก็เกิดขึ้นใหม่อยู่กําหนดรู้ไปเรื่อยๆที่เป็นธรรมะวิเชยะ เพราะฉะนั้นเองเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันจึงต้องละเอียดละออมมากๆเลยทำไมนั้นเราก็พลาดข้ามไปหมดหมาความว่าข้ามธรรมะไปหมดวัั้นเมันก็คนไปหาของที่มันมันตกแต่มันมองไม่เห็นหาข้ามไปข้ามมาเราบางคนเราบดนว่าเอ๊ะ ของบางอย่างเนี่ยเวลามันหายเราหาด้วยความเร่งรีบเนี่ไม่เจอแต่พอเราอยู่สบายๆวันหนึ่งไปเจอด้วยด้วยบังเอิญของมันเองทั้าๆนี่มันก็อยู่ที่เราหาแหละทำไมมันหาไม่เจอก็แปลกดีนะหลายคนจะพูดอย่างนั้นนะหาของในหาเรื่อยๆไม่เจอหรอกแต่พอไม่ได้ตั้งใจหาเดี๋ยวก็เจออยู่ตรงนั้นแหละทําไมจึงไปอย่างนั้นธรรมะก็เหมือนกันเลย เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเราคิดคิดลุกลุกลุกลวกเอาไม่ไค่ไม่เจอธรรมะเราแต่ค่อยกําหนดรู้สบายๆศึกษาไปรู้ไปเห็นไปชัดไปโดยที่ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งเพราะความอยากมันบังตาความโลภบับงตาความโกรธบังตาความหลงมันก็บังตาเราเหมือนเราหาของด้วยความอยากมันไม่เห็นน่ะท่านนี้ม่ก็อยู่ตรงนั้น ของหลายอย่างเธอเอ๊ะทไมเวลาจะใช้มันไม่มีแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช้่ทำไมมันมีเยอะแยะไปหมดเราเคยพูดคานี้ในชีวิตประวัตของเราธรรมาก็เหมือนกันลักษณะอย่างนั้นนปะ็เวลาปฏิบัติด้วยความอยากรู้อยากเห็นจะไม่มีมไม่เกิดแต่ทําไปด้วยความตั้งใจด้วยความศรัทธาด้วยความมุ่งมั่น การที่ปรากฏปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเป็นไปเองของมันเองฉะนั้นเรื่อง น, นี้จึงอาศัยว่าเราเป็นขึ้นมาเมื่อไหร่ล่ะเราจะเข้าใจในสิ่งที่พูดนี้แต่ถ้ามันไม่เป็นมือก็รู้สึกสับสนแต่ว่าก็พูดให้ฟังเพราะว่าเห็นว่าสภาวะนี่มีจรงิงของมันเองสภาวะนี่มีจรงิงเราค่อยศึกษาค่อยเรียนรู้ค่อยใส่ใจไปเ ร, เรื่อยๆถ้าไม่ค่อยปรากฏขึ้น สิ่งที่เป็นอุปรสรรคใหญ่หลวงต่างๆทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากสังขารปรุงแต่งเอาทั้งนั้นถ้าเราไม่ปรุงแต่งเราไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราเราปรุงแต่งเอานะฉันเองก็อยากจะฝากไว้คิดเนี่ยฝากไว้ให้ดูให้คิดดูถ้าจะว่าไปแล้วถ้าเรากำหนดรู้กำหนดเป็นเนี่ย จะไม่ต้องมีอะไรพิเศษเลยเนะี่ยหมดรูท้ทุกขนาดทุกอย่างก้ามันเป็นธรรมะหมดอะสภาวธรรมก็ปรากฏอยู่รูปนามก็มีอยู่อย่างแต่หน้าที่ของเราจะทํำยังไงให้ไปสัมผัสแนบแน่นกับมันอย่างต่อเนื่องยาวนานเท่านั้นเองดังนะนั้นก็ยากสําหรับคนที่ยังหยาบยังไม่ละเอียดอยู่ยากสําหรับคนที่ยัง แต่ก็ไม่ยากเกินความพยายามของเราเพียงแต่ว่าเราจะมีความเข้าใจถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเมื่อเราเข้าถูกต้องเข้าใจถูกต้องได้มากก็ก็ไวถ้าเข้าใจถูกต้องน้อยหรือไม่ถูกต้องก็ช้านะเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีชีวิตที่จะไม่มีอุปสรรคเลยและเข้าใจถูกต้องไม่ว่าการอยู่การกินการหลับการนอนการทำงานต่างๆไม่เป็นอุปสรรค เราเข้าใจถูกต้องนะแต่เข้าใจไม่ถูกต้องอะไรก็เป็นอุปสรรคไปหมดการเจ็บการป่วยก็เป็นอุปสรรคการงานก็เป็นอุปสรรคนอนไม่หลับก็เป็นอุปสรรคเพื่อนคุยหนวกหู ก, ก็เป็นอุปสรรคมันมันเป็นอุปสรรคไปหมดถ้ากําหนดไม่ถูกถ้ากําหนดถูกแล้วอะไรอะไรก็เป็นเครื่องมือไปหมดสภาวะอะไรที่เกิดขึ้นก็เป็นเครื่องมือให้เรากําหนดไปหมด ตัวนี้ศึกษาให้ดีถ้าเรากำหนดไม่ถูกสิ่งแวดล้อมทุกอย่างกลายเป็นอุปสรรคไปหมดแต่ถ้าเรากำหนดถูกเข้าใจถูกสิ่งแวดล้อมทุกอย่างกลายเป็นเครื่องมือไปหมดเป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงธรรมเนี่ย <Yeah. S 1> ฉันก็ลองพิจารณากันดูใร <Yeah. S 1> ช่วงเช้านี้เราทำความเข้าใจกันแค่นี้